ฌาดก็คือสมาธิลำดับที่1นึงำับที่สองจนท่านถึงนำดับที่แปดได้หรือป่าแค่จิตรวมเป็นสมาธิเกิดความสงบช่วงพาวเนี่ยผู้ทุจชนหรือว่คนธรรมดาที่อยู่ในเมืองอยู่ในการงานต่ตา่ยทำ ไ, ได้ดยากเนาะเพราะสมาธิจิตที่ต้องาอาศัยความสงบ ที่ต่อเนื่องนะต้องทอาในต่อเนื่องต้องถนอมนะต้องรักษาต้องประคองเยอะมากนะอยากจะมาเองแต่ก่อนอเขาเคยฝึสมาธิเราเกิดตั้งแต่เป็นเด็กหรือว่าตอนเป็นนักศึกษาก็เคยทําสมาธิอยู่บ้างนะแต่ถ้าเราทําในคีิตประจำวันก็มันก็ดีเหมือนกันนะได้ทำมาแ ติด20 น, นาทีก่อนนอนหรือว่าตื่นนอนขึ้นมาบางวันเสยันก็ทำว่าจิตก็ได้ได้พักผ่อนบ้างนะแต่ถามว่ามันเพียงพอในการที่จะทำให้เราเราเกิดกัญญาจริงจริงไหมมันก็ไม่เกียงพอเพราะว่าในชีวิตประจำวันมันมันไม่สามารถทำสมาธิได้เพราะว่าเราเรียน ก, ก็ดีเราทำการงานก็ดีมนะัน จิตมันฟุ้งซ่างกับสิ่งที่ที่เราเกี่ยวข้องนะหรือว่าพอเราอยู่กับทางโลกมันก็มีความสนท น, นมีความพื่อเพลินเพื่อขณะสมาธินะมันก็ไม่เพียงพอ ห, อหรือพอเราจะมาทำในรูปแบบเช่นนั่งสมาธิมันก็จิตก็สงบได้ยากนะเพราะว่าแต่ละวันมันมีความพุ้งร้างหลายอยา่างนะมันก็นะ ยากที่จะสงบพอเราได้มาบวชเองนั่นแหละมันเวลามากขึ้นมันมีสถ า, านที่ที่สงบอยู่ในกุฏิในปามีเวลาในการปฏิบัติธรรมย็นขึ้นไอตัวนั่นแหละขึ้นสามารถเห็นผลของการทำสมาธิจิสมมมตสงบได้แต่ ถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์คอยแนะนำนะมันก็ไปต่อไม่เป็นเหมือนกันแต่ก่อนก็เคยกังวลเป็นใหม่ส่วนให่ก็นั่งสมาธิดูลมหายใจอนาพาณสติอยู่ในกุฏิหรือเดิ น, นจมกลมบ้างมันก็จิตแต่ก่อนที่เคยพุ่งสร้างมากๆนะมันก็สามารถสงบลงได้แต่เราก็ไปต่อไม่เป็นนะบางที ตามดูลมหายใจตะแรกก็เห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะลมหายใจยากบ้างลมหายใจละ่อียดบ้างจนสุดท้ายเรารู้สึกเหมือนไม่มีลมหายใจแต่เรนก็แต่ในทฤษสีเราก็รู้แหละเมื่อเราดูลมหายใจอยู่เพราะถ้าไม่หายใจมันคงมนก็ผมตายเนาะแต่มันไม่มันไม่สามารถรู้สึกถึงลมเพราะว่า พอลมหนยใจมันละเอียดมากๆ ก, กินมันนิ่งมากๆ ม, มีลมก็เหมนไม่มีนะมันไปอยู่กอบความมา้าไปอยู่กับความเต่าไปอยู่กับความสบายของของสมาี่นะบางทีก็เกิดนิมิตเนาะเกิดนิมิตตัวลอยตัวใหญนะ่หรือว่าไปเห็นอะไรบางอย่างบนะ้างแต่ก็ มันก็ไม่ได้พิเศษอะไรเป็นมากกว่านั้นหรอกเพราะว่ า, าทั้งๆสมาธิคุณนั้นก็คายออกมาเราถ้าเราติดใจอ่นะเราก็วางหลังหรือครั้งต่อไปแล้วก็ยอยากจะนั่งแล้วให้ไม่ได้เรมลงแบบนั้นดนะีวันใดถ้าทําได้เลยนั้นก็ว่าดีนะถ้าทําได้นานกว่าเก่าก็ว่าดีมากแต่ถ้าวันได <c oughs> ท, ทํำไม่ได้เช่นนั้นนะ จิตคลุ้งซางหรือว่าจิตเวทนาน่าผ่านเวทนาทางกายไม่ได้ก็จิตก็ไม่สงบไม่เป็นสมาธิเราเพราะว่าเราปฏิบัติไม่ดีมันมีแต่คล้ายๆไม่ทำไม่เกิดสมาธิได้กระทำไม่เกิดสมาธิไม่ได้มันก็เลยมีว่าจะเองดีบ้างว่ะเอไม่ดีบ้างว่าจะเอเก่งบ้างว่าจะเอแย่บ้าง ปัจจุนก็ก็ทำแบบนั้นนแต่ก็โชคดีที่ว่าได้มาอยู่ในวันที่วัดนปะ่าสุกระโตเนาะก็มีการสอนเรื่องาการเดินเทือดติมีรูปแบบการเคลื่อนไหวอยู่นี้แหละนะแต่ก่อนตัวเองก็ไม่ไม่เคยรู้ว่ามีรูปแบบการเดินเทือดติแบบแนวเคลื่อ น, นไปแบบแนวหลังตเกีเยน จากท่านจากหูไปอยู่ที่รูปก็ปได้เห็นรูปแบบการเตืนสติแบบนี้แต่แรกก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมทําไมต้องนั่งย่อมือแบบนี้ด้วยหรือว่ารูปแบบไปนั่งย่อมือนี่มเป็นรูปแบบที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไปจริงหรือเราคิดว่าเป็นอะไรที่มันมันใช่เรื่องที่ในพุทธศาสนาจริงหรือเปล่ปปา ก็กเกิดความสงสัยนะแต่พอได้่านแล้วคือหลวงพ่อเขียนบ้างให้ฟังแล้วงพ่อบางเขียนบ้างแต่หลวงพ่อเขียนนั้นก็แค่ให้อยู่วัดก็ยังเกิดความสงสัยไม่ได้แน่ใจนะก็ได้อ่านมาจะติประฐานกระสูนนี่แหละเพื่อแก้ความสงสัยแต่นั้นก็ไม่ค่อยมีครูบาอาจารอยู่ที่ว่าก็นะได้อ่าน บทที่เราได้สวด น, นะครับตัดไปเช่ญาตบอกพ า, าก็คือการทําความรู้สึกตัว อ, อ๋วอผู้วิจารณทอดไว้ น, นะในการทําความรู้สึกตัวในการฟู้แขนเข้าฟู้แขนออกนะเอุ้งอวัยวะเข้าฟุา้งอวัยวะออกในการเดินไปข้างหน้าในการเดินขอยับไปข้างหลังนะหรือว่าในมี่นนยาวดย่อย อย่างตอน น, นั้นเป็นพระก็ในการม uh ุ่งโหงจีวรในการทรงตัณหติมีตัณติในการทรมบาศก็คือถือบาทหรือเรี่องหัวใจนะการกินดื่มขับทายวิ่รถหรือว่าพูดคุยก็คือหลักสำคัญคือการมีความรู้สึกตัวในเรียองหัวใต่าง น, นั้น วิธีการที่ตรงกระเพียรานเราทำนะการยกมือสึกจังหวะก็ดีการเดินจังกมก็ดีหรือว่าท่านก็สอนให้ไม่แต่ทำเนี่ยคือก็ดีนะก็ให้มีความรู้สึกตัวมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นติแปลกใหม่หรือเป็นติที่ผิดเพีนะ้ยนจากที่พรพเจ้าเคยสอนเราเีงก็เลยเกิดความแน่ใจเกิดความมั่นใจว่า รูปแบบอเนี้ยมันมันไม่ได้ผิดนะจากหลักของสอยของพระพุทธเจ้านะแต่ก็ยังไม่ไปปองใจในการปฏิบัติเท่าไรหรอกก็ยังนะชอบทำสมาธิแต่บางครั้งนะก็ลองทำแบบนี้บ้างสลับกันไปสลับกันมานะก็ทำแต่ก็ชอบเลยจ็บกบติดลักนะ่นงยนอยู่หรือบ้าน เราต้อไม่เคยแต่ก่อนเราอยากเรียว่านะบทีเราคิดถึงการปฏิบัติเราก็จะคิดถึงสมาธิเราไม่ค่อยรู้จักคำว่าสติเราไม่ค่อยรู้จักคาว่าความรู้สึกตัว เ, เราคิดว่าคนทั่วไปก็มีความรู้สึกตัวมีสติถ้าคนไม่มีสติก็คือเราก็เรียกว่าคนบ้านสติแตกก็ต้องไปรักษาโรคประสาทโรคจิตนะ แต่จิตสติในทางธรรมแต่ต่างแต่สติทางโลกพอสมควร น, นะสติในทางโลกเนะี่ยคือถ้าเราไม่ป่วยหนักทางกิงนตะก็คือเราเรียกว่าสติดีนะแต่ที่จริงสติในทางธรรมเนี่ยก็คือการที่อนะถ้าเราไม่สามารถเลื่อนรู้สนะิ่งที่เกิดขึ้ น, นในกายใจปัจจุบันได้ถือว่าเราขาดสติเท่านนะั้น เช่นอย่างที่พูดไประจำคือการที่เราล่องไปคิดหล่ไปอยู่ในความคิดเวลาคิดเราก็เติบความคิดหรือเวลามีอารมณ์อารมณ์คือความรู้สึกมันเกิดขึ้นในจิตใจนะความดีก็ดีความพอใจก็ดีความไม่พอใจก็ดีอะไรต่างๆเกิดขึ้นในจิตเนี่ยเราตราหล่นเข้าไปหล่นกับมัน หมเข้าไปอยู่จมันนะหลงเข้าไปนเศษกับอารมณนั้นไม่ว่าอารมณ์นั้นจะดีหรไม่ดีเนะีเราก็หลงเข้าไปนะนี่ยคือสิส่ที่ที่เรารขาดสติครับซึ่งคนหลายคนจะไม่รู้ว่าอันนี้แหละเรียกว่าขาดสติเพราะคนเคยไหนเคยมองว่าเป็นเรื่องเรื่องธรรมชาติเรื่องที่คนทั่วไปก็ก็เป็นนะแต่นั้นนี่แหละ คือสาเหตุที่สําคัญที่ทําให้เราเกิดความสุขความทุกข์เกิดอารมณ์ดีน่ายเกิดความพอใจไม่พอใจเพราะว่าเราวิ่รู้ันเวลาเราหลงเข้าไปอยู่ในอารมณ์หรือเราไหลไปตามความคิดเนี่แหะมันเป็นสาเหตุที่สําคัญนะเพราะว่าคนถ้าเราไม่มีสติเราจะไหลเข้าไปกับสิ่งีคิด ใจไปกับอรมณ์ได้ได้รวดเร็วมากนะถ้าใครไม่ได้ฝึกสตินะจะไม่มีทางเห็นไม่มีทางเห็นอารมณ์พวกนี้เลยเพราะว่าเราจะเคยจีนในการไปอยู่ประมา น, นหรือการทำสมาธิมันเป็นงแค่การออกจากอารมณ์ชี่ยขคาวนะคือเราทําเป็นสนใจอารมณ์ทักอย่างนนะให้จิต ตั้งม่นให้จิตแนวแน่ให้จิตเจมืจอกหยออยูกับอรมณ์สักอย่างแต่เป็นคํามวิกรรมก็ดีจะเป็นดูลมหายใจอย่างเดียวก็ดีเหมือนน่ะจิตมันตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นมันก็เลยลืมนะไม่สนใจความคิดอะไรต่างๆจิตก็สงบได้แต่พอออกจากสมาธิมีความคิดมีตรงขึ้นมาแล้วก็ไปเสกมัอนนะอาจารย์เจริญสติเนี่ย เราเรียนรู้อารมู์นะเราฝึกเพื่อจะเรียนรู้จากอารมเรียนรู้จากสภาวะมันตรงกับคำสอนของพระเจ้าตรงไหนพระเจ้าท่านบอกว่าภูมิคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ไม่ใช่คือสิ่งที่เราดมหรือว่าขมหรือว่าเลี่ยนนะติยังพระเท่านสอนว่ากายใจเนี่ยคือมันตัวภูมิ เราควรที่จะต้องเรียนรู้จากพูมนะอะไรที่มันมีความไม่พอใจไม่ชอบเนะี่ยเราเคยเรียนรู้มันไหมเอ๊นะเวลาปฏิบัติธรามแล้วมันเบื่อเราอยู่กับมันได้ไหมเนะวลาปฏิบัติธรรมแล้วมันฟุ้งซ่านเราเราป็นชอบมันใช่ไหมเราก็เลยพยายามที่จะากะถักใส่เขาหรือทำยังไงก็ได้ให้มันไม่คงุงซาน นี่อันนี้ไม่ใช่การเรียนรูนะ้นแต่คือการผักใสการผักใสก็เกิดจากการไม่พอใจไม่พอใจไม่ชอบในบางทีแารปฏิบัติธรรมหลายคนจะไม่พอใจที่มันผูกซาไม่ชอบที่มันคิดรู้สึกว่ามันไม่ดีแต่ในการเจรินปติแล้ว มันเป็นสิ่งสำคัญนะที่จะทำให้เรามีพัฒนาการนะคืออะไรก็คือว่าความคิดหรือรอารมณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นของมันเองนะเราไม่ตั้งใจคิดมันเกิดของมันเองเอารมณ์ก็เหมือนกั น, กนมันเกิดของมันเองเราลองปึกเรียนรู้ที่อยู่ของเขานะโดยไม่ต้องผ่าใสไม่ต้องปฏิเสธเขา กานะรเจริญสตินะเราจะฝึกในการเรียนรู้อยู่กับสนะิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกัใ จ, ใจให้ได้นะไม่ใช่ผากใสอันนี้เป็นหาักนะที่สำคัญเลยนะหลักที่สำคัญเลยมันถ้าเราเรียนรู้อยู่กับเขาได้นะแยกออกมาเห็นะว่าอารมณ์ก็เป็นส่วนอารมณ์นะความคิดก็เป็นส่วนความคิด กิจก็เป็นส่วนของกิจร่างกายก็เป็นส่วนของร่างกายถ้าเป็นคนเลืะส่วนกายเมื่อนั้นถ้าเราสามารถแยกได้นะแยกระหว่างก า, ายกับใจแยกระหว่าความคิดกับกิจได้นะเราจะอยู่กับโลกกนะ็อยู่ไดนะ้แต่ถ้าเราไม่เรียนรู้อยู่ตรงนี้นะถ้าเราปฏิบัติธรรมถ้าเราเน้นแค่ความสงบเน้นแค่มันไม่คิดนะ มันก็มีความสุขดีหรอแต่ถามว่าในชีวิตจริงของเราเนี่ยเราสามารถเลือกนะที่จะทำให้ไม่มีอารมณ์ไม่มีความคิดได้หรือเปล่ามันไม่ได้นะใ่ไหมแต่เราทำงานก็มีคนสรรเสริมมีคนเหนทานะเวลาทำงานก็มีปัญหามีอุปสรรคมันไม่ใช่ราบเรื่ราบเรียบตลอดช่ไ หรืชีวิตจริงของเราเราเกี่ยวข้องกับผู้คนกับญาติพี่น้องก็มีญาติพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตัวเราเองก็เจ็บไข้ได้ป่วยบ้างไอ้คนนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความม่สมว่น้างความฟุ้งซ่านว่าความคอยใจบ้างความไม่คลอใจบ้างเราไม่สามารถเลือกได้นะแต่การที่เราถูกปฏิบัติในใจเรียนรู้อยู่ตัอารมณ์เนี่ย มันจะทําให้เราพอจวิตจริงพอมีอารมณ์พุ่งแสสน์ขึ้นมาเราจะอยู่กับมันได้เพราะจริตจริงนั้นะเราไม่สามารถที่จะขัดใสอารมณ์ออกไปไม่สามารถพัดใสคำพูดสรรพินทาออกไปได้ไม่สามารถเลือกได้ไว่าชีวิตนี้มันต้องมีแต่ความราบเรื่อ น, นะห้ามมีอุปสรรคเราไม่สามารถเลือกได้ไ น, นะเข้าใจไหมนะ ถ้าเราเรียนรู้ที่อยู่กับนะสภ า, าวะที่มันเป็นจริงเนี่ยมันจะเห็นว่าอมันอยู่ได้เนะาะเราจะเห็นเราจะมีตรีปัญญาเห็นว่าปัญหาก็ส่วนหนึ่งนะความทุกข์ใจเป็นส่วนปัญหาเป็นเรื่องธรรมดานะคิดอยู่ในโลกนี้ก็ต้องเจอแต่ความทุกข์ใจเนะี่คือสิ่งที่เราวางใจไว้ดีเอง เข้าใจไหมเอ่นไม่สบายนะมันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายทํางานก็มีอุปสรรคมีคนมคไม่เข้าใจบ้างอันนี้ถ้าเรามองเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความใจเนี่ยมันไม่ธรรมดาอ่เพราะเราหลงน่เองแล้วก็เห็นใช่ไหมว่าบางคนป่วยเหมือนกันนะแต่บางคนป่วยแล้วก็ทุกใจนะ บางคนป่วยแล้วก็ไม่ค่อยทุกข์ใจหรือว่าไม่ทุกข์ใจเลยก็มีบางคนประดับประชินปัญหาเดียองกันนะบางคนแก้ปัญหาไปพร้อมกับการที่โวยวายหรือเครียดนอนไม่หลับแต่บางคนก็แก้ปัญหาไปนะไม่ได้โวยวายไม่ได้เครียดใจก็สงดี <c oughs> อันนี้คือความแตกตา่าง ที่แมนุษย์เราเจอเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าการรับมือกับมันแตกต่างไปนั้นที่จริงธรรมะนะไม่ใช่ว่าเราจะปฏิบัติทำเราทําบุญเพื่อหวังว่าจะไม่เจอปัญหาเพื่อหวังว่าชีวิตเราจะไม่เจออุปสรรคเพื่อหวังว่าร่างกายเราจะไม่ไม่เจ็บ น, หนัหรือเพื่อหวังว่าเราจะตายแบบไม่ทรมาร์ ถ้าใครทําบุญหรือปฏิบัติธรรแล้วก็ยังปัดจัยนาเช่นนั้นอยู่นะก็ยังถือว่ายัางตั้งความปัจจันาไม่ตรกนะแม้จะเป็นสิ่งที่เราอยากจะคาดหวังนะแต่มันก็มันเป็นเรื่องของกรรมนะไม่ใช่เรื่องความความหวังอะไรกันคือผลของก็คือการกระทำของเราเนี่ยแหละนะเมื่อทำไปแล้วนะนะมันก็เกิดผล จะเกิดผลอย่างไรเราก็เลือกไม่ได้นะอันนี้คือเรื่องเรื่องอย่างว่าทำเราเลือกไม่ได้หรอกว่าเราจะแก่แบบไหนเรจะเจ็บแบบไหนเราจะตายแบบไหนนะเราจะเจอคนตัณฑ์สนค น, น, คนมินทาแบบไหนเราเลือกไม่ได้นะนะเพราะไม่แต่พระอรหันต์พระกุศเจ้าเองนะท่านก็ยังเรีย่ยมคนมินทาไม่ได้ เรียกคนทําร้ายไม่ได้อนะหรือพักว่าอันหนังบางลูท่านก็เรียกที่จะตายแบบไม่ทรมานไม่ได้นะก็าถูกคนฆ่าบ้างถูกช้างเหยียบบ้างถูกงูปีกบ้างก็มีนะอันนี้เป็นเรื่องของกรรมนะไม่ใช่เรื่องของใจนะเรื่องของกรรมอาจจะเจอขครร้ายอาจจเจออุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ แต่สิ่งสำคัญใจไม่ทุกสามารถทําได้เราจะเห็นไหมว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายหรือปัญหาภายนอกเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งแต่ความทุกข์ใจเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งถ้าเรามีสติเราจะเห็นว่าข้อจิตเรงเถอเราไหลไปอยู่กับความคิดความทุกข์ใจเนี่ยเรียกว่าขสติเราหลงไปแล้วข้อวิสติมันจะถอนตัวเองออกมาก เป็นพ้นเกล็ดแล้วเราไหลไปเนี่ยถ้าเราฝึกการเูตัวสติตรงนี้เรื่อยๆมันจะทําให้เราอยู่กับอารมณ์อยู่กับความคิดอยู่กับอสิ่งที่เกิขึ้นกับกายกับใจได้นะโดยที่ไม่เข้าไปผสมไม่เข้าไปเต็มด้วยและคยบางทีนี้แหละคือทางทางที่จะทําให้เราพ้นจากความทุกข์จริงๆคือแบบนี้นะเราต้องฝึกในการเรียนรู้นะ ไม่ใช่ฝึกในการหลบุึกในการเล่หนักนะแั้วเราต้องเีรู้อยู่กับความคิดที่เกิดขึ้นทตามกายัามใจนะไม่ต้องคอยหลบคอเรียงว่าเป็นแบบไหนบางทีธรรมดาบางทีปฏิบัติธรรมบางีมันคิดเราก็ไม่ชอบนะบางทีมันมึ่งนอนมันเบื่อเราก็ไม่พอใจ แ้ Daniel, u, ่ก็พอใจถ้าปฏิบัต like ิแล้วมันเพลินปฏิบัติแล้วมันไม่ง่วนปฏิบัติแล้วมันสงบนะมันเราจะชอบเนาะถ้าปฏิบัติวันไหนแล้วมันมันดีก็ชอบปฏิบัติแล้วมันคือมันเบื่อก็รู้สึกว่ามันไม่ชอบถ้าใครยังรู้สึกชอบหรือไม่ชอบแบบนี้นะหรือหรือว่ายังวางใจด้วยผิดนะถ้าคนที่บาดใหญ่ถูกนะอะไรจะเกิดขึ้นมาก็แล้วแต่ ถ้าเราเห็นแค่ดูหรือถ้าเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับเขาไม่ได้เนี่ยมันจะทําให้เราเกิดสติปัญญาขึ้นนะเอออะไรเกิดขึ้นมาก็แ้วแต่เนาะเคียงแค่เออสังเกตดูเนี่ยตอนนี้จิตมันไหนอยู่ียวกับเราหรือว่าจิตมันเป็นผู้ดูอยู่เนาะอตอนนี้กายเส้นใยมันรู้อยู่หรือเปล่านะมันถ้าเราออกมา เป็นผู้ดูกายก็ดีหรือรู้ทันเวลากินมันไหลไปอยู่ในความคิดอยู่อารมณ์ก็ดีนะแค่นี้ก็พอละยิ่งถ้าเราเห็นสติตัว น, นี้บ่อยๆนะการที่คิดบ่อยๆการที่หลงบ่อยๆการที่มีอะไรมากระทบบ่อยๆนะกับยิ่งสนุกมันจะต่างกันนะแต่ก่อนเราไม่สนุกเราไม่ชอบแต่พอเจอสติไปเรื่อยนะ มันเขียนเป็นเรื่องสนุกสนุกที่อะไรสนุกที่เขียนใจมันเปลี่ยนสนุกที่เข็นว่ามันบังคับไม่ได้แต่สนุกที่มันก็ไม่สามารถที่จะทำให้เรากินไปจมกับมันได้ก็ราะอะไรพอเรารู้ถันมันก็หลอกไม่ได้พอเราเห็นแล้วมันก็กลับมารู้สึกชัวได้ไมันจะเกิดอะไรซึ่งก็แล้วแต่นะแต่เราพอเราเห็นแล้วเมันก็ มันท no. ําอะไรไม่ได้นะเหมือนเราเมืนเราเล่นเกมเล่นอะไรก็แล้วแต่เนาะพอเราจับเทคนิคีจับอะไรต่างๆรูปแบบก็าได้ละมันเพิ่มขีดไปะคนจะมาหลอกเราเราก็รู้ทางนะเรารู้แล้วเขจะมาไม้ไหม่ล่นสนุกนะพอเราเล่นเกมเล่นกีฬาหรือแข่งอะไรก็แล้วแต่พอเรารู้ทางคู่แข่งพอเราจับใจพอเรา เหนือของเขาเนี่ยมันสนุกนะเพราะว่าอะไรมันทานเขาเขาหลอกไม่ได้แล้วนะอ่าเรารู้ทางเขาแล้วนะเนี่ยจิตเพิ่เหมือนกันนะเวลาจิตมันมีสตินะพอกกเลตมันมาดอกเลิกเห็นแล้วนะอ่ามันหลอกไม่ได้ก็จะเกิดจิตที่มันยิ้ขึ้นในใจนะยิ้มอะไรยิ้มยอกเกเลตยิ้เย้ยเกเรอนะมันพอใจอยู่ข้างใน แต่ใหม่มันก็ยิ้แล้วก็หงพอใจเหมือนกันนะมันเกิดมานั่งเกิดทิพย์ขึ้นมาบ้านนะแต่พอจริงไปไหวมันก็เริ่มก็เริ่มเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเหมือนเราทําอะไรสำเร็จใหม่เนาะมันก็มันก็ภูมิใจมันก็ดีใจมันก็พอใจมากเลยแต่พอทําไปได้เรื่องยๆเมาะก็เริ่มเป็นเรื่องเคยชินเป็นเรื่องธรรมดาแหละแต่อาการพวกนี้มันก็ถือว่ามาถู๋ทาง อืสุดทายในแง่ไหนก็คือพอกีเรตเกิขึ้นมามันรู้ทันรู้ทันไไแล้วไม่เผอไม่ไหลไปนี่แหละเออมันเป็นเรื่องที่เราสามารถทำได้เนาะแต่ก่อนเราคิดว่าความคิดไม่ดีความสนองไม่ดีดดแต่พอเห็นเช่นนี้มันดีนะดีดีในแง่ไหนดีในแง่มาให้เราได้เรียนรู้มาให้เราได้ดศึกษานะ นะไม่ว่าจะเป็นมันมาในตอนที่เราทําในรูปแบบก็ดีหรือมาตอนคิดไม่ได้ทำในรูปแบบก็ดีเนี่ยมันก็ไม่ตางกันเนาะะเราต้งเจออยู่แล้วนะเราอย่าไปคิดว่าเราปฏิบัติในรูปแบบแล้วมันจะไม่มีมันก็มีข้อของเก่าที่เราเก็บมาเนี่ยหรู้เก็บมากี่ปีกีปีบางทีอาจจะมากีดใชาประเด็นนะของเก่านี้ที่ถ้าตัดายสี่ทิศยากขาเรียกว่าเหมือน มันเกตได้จิตจิตใต้สันนิษฐานนี่เนาะมันกายมันเป็นความฝันกายเป็นจลิตที่ใส่บางอย่างซึ่งมันเกตไว้เนิ่นนานแล้วไปการมันจะริญสีมันจะทําให้ไอ้คกนั้นมันโผล่ขึ้นมามันโผล่ขึ้นมาถ้าสังเกตไหมเลาปฏิบัติธรราทีความคิดของเก่าไม่รู้คิดว่าลื่มแล้วก็มันโผล่ขึ้นมานะความจําตั้งแต่แรกเกิดเลยอาจจะไม่ถึงแรกเกิดหรือความจํา ครั้งแรกนะคนคนหนึ่งตีห้าปีอ่นะก็โผ่ขึ้นมาให้คิดเรื่องราวตอนเป็นเด็กเรื่องราวตอนเป็นนักเรียนเรื่องราวตอนทำงานใหม่ใหม่มันก็โผลขึ้นมาเรื่องราวในครอบครัวเรื่องราวกับเพื่อนมันก็โผขึ้นมาหรือเรื่องเล็กน้อยที่คิดว่าไม่สาคัญมันก็โผล่ขึ้นมามันเป็นอะไรมันไม่ไเป็นอะไรนะมันเป็นมันเอง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 ถ้าเราเห็นว่าเป็นเพียงแค่ความคิดถ้าเราเห็นเป็นเพียงแค่อารมณ์นะไอ้คนนะั้นมันผล่ขึ้นมาแล้วมันก็เสียเรื่องแล้ก็จบจบจบไปแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละราไปมันจะมาอีคนะ่ะก็ไม่เป็นไรเราแค่รู้ผ่านมันก็หวางไปได้คือคล้ายๆวนะ่าไอ้คนนี้ยถ้าเราจะผ่านก็เพื่อเพราะตอนไหนผ่านตอนที่เราไม่ ไม่ไม่ให้ท่านะความคิดอารมณ์เกิดขึ้นมาเราไม่ให้ท่ามันมันจะผ่านแต่ถ้าเราเดิให้ท่ามันก็คจอ ย, ยังชอบหรือไม่ชอบเขาเนะี่ย น, นี้มันจะไม่ผ่านมันจะวนกลับมาสังเกตไหมถ้าเรื่องราวไหนนะมันเราเฉยเฉยกับมันได้แล้วนะมันก็จะจืนไปมันก็จะออกไปนะแต่ถ้าเรื่องราวไหนเราเดินชอบอยู่หรือบางเรื่องเราก็ไม่ชอบเนะี่ มันก็จะวนต่อม า, มาน่ะมันวนต่อมาจะว่าความชอบความไม่ชอบก็คือความอยากได้กับความไม่อยากได้ที่มันเป็นพื้นฐานไม่เกิดอารมณ์แล้วก็เกิดความพุกข์นะในจิตใจแต่ความทียเฉยความปกตินะความแค่รู้แล้วก็ไม่ปรียบเทียบกับมันนะมันเป็นเรียกว่าเป็นการละปัญหาเมื่อรับปัญหาก็คือ จาเหตุของความทุกข์นะไม่ใช่เห็นตรง น, นี้น ะ, อะพอเรามีสมาธิครับเป็ น, น, นเหตุนะพอเรแค่รู้สึกตัวตากับร่างกายที่เคลื่อนไหวทีมันติดสี่จังหวะทาไ ป, า เ, ปเพื่ออะไรที่จริงการเคลื่อนไหวก็คือต่ทีจริงคือปุ่มการรู้สึกตัวเนะหมือนเราเราหลับแล้มีคนมาขยับตัวมาเรียกขึ้นเราเนะียเราก็เลยตื่น การเคลื่อนไหวเหล่านี้ก็เหมือนกันคือการปลูกความรู้สึกตัวหรือตอนที่เราเผลอไปคิดแล้วเรารู้ทันว่าเราเผลอไปคิดนะก็เหมือนไันคลยมันความเมื่แล้วเรามีคนเรียกเาสักวันหนึตั้งสติมีสติกับมาไม่ไปอยู่กับความมือไม่ไปอยู่กับความฝันที่จริงการแต่ิญสติคือการแค่ปลูกความรู้สึกตัวให้มันตื่นขึ้นมาที่จริงจะเรียกอย่างว่า ความรู้สึกตัวไม่มีอยู่กัเราอยู่แล้วนะแต่จริ่แล้ว่าเราหลืนเหมือนกับเรานอนหลับเราไม่ทันได้ลืมตาใครยันต์หน้าต่างก็นก็ไม่เปิดขึ้นมาแต่พอเราลืนขึ้นมามัน้องกการเห็นพอการได้ยินสางก็เปิดขึ้นมาดะงนั้นความหลงตัวก็คือการที่เราไปยินกับเขาบ้างหรือว่าเราหลืม ที่จะเห็นสภาวะบ้างการทําสติแบบนี้ก็คือแค่ปลุกนะปุกให้มันกลับมาปลุกเราเคลื่อนไหวมีสติรู้ของการเคลื่อนไหวเนี่ยก็คือปุกท่ารู้ขึ้นมาหรือใจเถิดเป็นคิดเราวมันมีสติรู้ทันนะมันก็คือปลุกตัวรู้ตัวถือขึ้นมาในจิตเนใจเมืออย่างที่นะเราเคยไดกินในทันที หายท่านก็บอกว่าจิตเดินแท้มันมีอยู่แล้วหรือจิตเรามเป็นทุทักอยู่แล้วจิตเรามันจิตประคับต่ออยู่แล้วหรือว่าที่จรจะเรียกจิตมันเป็นปกติอยู่แล้วอันนี้คือสภาวะธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วนะหรือบางทีอาจารย์ก็ท่านก็บอกนิพพานมันมีอยู่แล้วพระพุทเจ้าบอกชัดเจนนิพพานมีอยู่แล้ว น, นิพพ า, านไม่ใช่ว่าเราสร้างขึ้นมา แต่ ม, มีอยู่แล้วแต่เป็นว่าเราดึงเรือนสภาคนนะดืมเงินสภาว้ า, านิพพานสภาบ้ า, าพุทธะสภาบ้จิตเดินแท้สภาบ้ ป, ปกติของจิตไปมันมีอยู่แล้วนะแต่ตอนที่มันหลงไปคิดตอนที่เผอไปนี่คือมันถูกข้องนานะเหมือนกะท้าตุที่ถูกเมฆบอกมาบางังนะอันนี้มันถูกข้องนำแต่ถ้าเรามีกติกา มันจะปัดเมฆหมอกนั้นไปนะมันจะตตื่นขึ้นมาช่วงนันนะก็คือขณะที่จิตมันกลับมาอยู่กับสภาวะปกติจะเรียกว่าสภาวะพุท้างก็ได้สภาวะนิพพานก็ได้มันมีอยู่ของการอยู่นะแต่เพราะเราเขียนว่จะพูกงเป็นยามาขณะที่โกรธนะมันมีความไม่โกรธอยู่ขณะที่โลงก็มีความไม่ลงอยู่ขณะที่ทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์อยู่ มันอยู่คู่ๆไปนั่นแหละนะมันไม่ได้อยู่มันไม่ได้ไปหาที่ไหนนะถ้าเราอย่างในความคู่มันมีความไม่คู่ถ้าเราดูดีๆนะเราจะเห็นนะแต่ถ้าเราดูไม่ดีเราจะเป็นคู่ขณะที่โกรธนะมันไม่ใช่ต้องโกรธนะ่าดั ง, างเครียดแต่ถ้าเราเห็นความโกรธเออ ม, มันความไม่โกรธก็มีอยู่นะ แต่ถ้าใจจริมันจะเห็นว่าที่จิตในทุกสภาวะมันมีสภาวะที่มันไม่เปล่นกับมันไปได้แต่ถ้าเราขาดสติมันเลยเข้าไปเปลนแต่พอเราคีสติเป็นพูดเห็นพอเห็นแล้วมันไม่พุ่งนิพพานน้อยคือตรงนี้เนาะจิตที่ปกติมันคือตรงนี้เนาะจิตที่เบิกบานมันคือตรงนี้เนาะพอเราเห็นอะไรได้ทั้งหมดเนี่ <c oughs> มันจะเกิดความเข้าใจว่าอ๋อจะเรียกว่าจิตเดินแท้ก็ได้เรียกว่านิพพานน้อยน้อยก็ได้เตียกว่าผู้รูก็ได้มันมีอยู่มันอยู่ในใจนี่แหละนะมันอยู่ในใจเดินแท้ใจบริสุทธิ์ใจปกติของเราที่เองนะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยนะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจะบอกกับเธอเมอนะบอกว่าการหาธรรมะเนี่ยหาในกาในใจของเราที่เองนะมันมีอยู่แล้วนะ ในกลความสอบยาววานะาคือของเราเนี่ยมีอยู่แล้วหรือบอกพระเถรท่านผู้ชักเขียนบอกว่าการจะแสดงหาธรรมะจะแสดงหาครูบาอาจารย์เนี่ยจะไปหาที่ไหนไม่ใช่ไปเที่ยวตามหาตามวัดต่างๆตามครูบาอาจารย์ต่างๆหรือจำหรือตามตํามหลักต่างๆแต่ท้านี้ตามหามในกายใจของเราที่เองเรามาดู ความทุกข์ที่มันดีอยู่แล้วนะพีธีบอกว่าเราแค่ตร้างความรู้สึก ต, ตัวขึ้นมาเราตอนเสังเกตุตอนที่เรารู้สึกสตัวจนนะริงๆเนี่ยจะนทุกข์อะไรไหมใช่ <c ười> ไหมไม่ต้องไปหาตอนเป็นทุกข์ที่ไหนใครนะพอนที่เรารู้สึกตัวกับกายทื่เคลื่อนไหวตอนที่เรารู้สึกสตั ว, ต, วตอนคิดใจเห่อไปคิดแต่เรารู้ทันนะมันก็ไม่ทุกข์แล้วนะอันนี้แหละคือสภาวะอ่านะ ที่มันปากรให้เราเห็นนะอย่างแก่นชัดอย่างแก่นแจ่มเราตีแต่ว่าทํำให้มันปาปรไปอยกนะเพราะว่าเรายังไม่สามารถที่จะรักกีเลยได้แบบถารนนะมันจะมีความหลงที่จะคอยย้อนเข้ามาอยู่เสมอนั้นความเพียนก็เลยเป็นหนีที่ต้องทำให้มันยิ่งขึ้นนะแม้เราจะทําได้แล้วแม้เราจะดูแล้ว แต่วันข้างหน้าหรือเวลาข้างหน้ามันก็จ ะ, จะเกิดความคิดเกิดอารมณ์เกิดความทุกพล่านข้ า, งงข า, ขามาอีกนะถ้าเราไม่มีสตินนะมันก็จะเข้าปเป็มเป็มเหมือนเดิม น, นั้นความคิดจะทำให้มันต่อเนะื่องอะไรที่มันดีแล้วเราก็พัฒนานให้มันดีขึ้นนะให้มันบางทีมันก็กดีแล้วระดับเดิมนะแต่บางทีเราก็ต้องพัฒนาให้มันเร็วขึ้นนะเหมือนนักกีฬาที่เล่นเป็นแล้ว ถือว่าพอไหมันก็ไม่พอเพราะว่ามันยังไม่เก่งนี่มัมีคนที่เก่งกว่าเราถ้าจะเปรียบเทียบกับการพัฒนาจิตมันก็เหมือนตัวสติกับตัวกิเลสของลงนะมันแข่งกันอยู่นะมันแข่งไปไหนนะมันตอนไหนที่เราเผลอนะกิเลสมันจะแทรกเข้ามาเร็วมากนี่ังเกตแล้วขนาที่เรายกนูสื่สื่อจังหวะบางทีบางขณะที่อยู่บางทีพวคิดก็แทรกเข้ามาแล้วนี เร็วมากนะบางทีหรือตาก็ตาตเดินจมกอมอยู่นะพอตายเห็นไอ้บางอย่างมันไหลไปแล้วอันนี้เราห้ามไม่ได้นะแต่ถ้าเรามีสติเราจะเห็นการไหลไปของใจเห็นวนะ่าใจไหลไปทางตาบางทีใจก็ไหลไปทางเสียบางทีใจก็ไหลไปทางกระปุนะมีอาหารขึ้นมาได้กลิ่นขึ้นมาแล้อใจไหลไปแล้วได้กลิ่นแล้วเกิด ค, ความ อยากกินหรือความไม่อยากกินหรือเกิดความคิดถึงมันเป็นอะไรอกเนี่ยคือเป็นเรื่อใจมันไหลเวลาเรามีสติเยอะๆเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตมันไม่อยู่ที่จริงๆนะนี่ยนะนะความโง่มันมันไหลไปกับความโง่ต่างๆเยอะมากแต่ถ้าคนที่ีสติดีจะเห็นว่ามันมันดีที่เห็นใจมันไหลเนียนะมันจะเห็นแล้วที่จริงใจมันไม่ได้อยู่ที่ มันจะหลงไหวมากคนที่มีสติทช้งานสติจะเห็นว่าซึ่มันเถอนไปไหวมากเธอไม่เหยมากดังนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่จิตเราจะนิ่งสงบร่างเรียบไม่หวั่นไว้นะไม่เป็นอะไรตลอดไม่ใช่แต่บันไดไปมาหลงไปเรารู้ทันมันจะกลับมารู้ทันกลับมารู้ทันก็ตื้มารื้มาไปไหวไปไหวเลยเนี่ยท่านคนที่มีสติดี เห็นความโหน่งความไหลเยอะมากนะอันนี้มันเป็นตัวปัญญานะมันเป็นตัวพัฒนาทาให้จิตมันเขาเรียกว่าเดินปัญญาะเดินญาณคือการเห็นความจริงบ่อยนี่แหละนะคือเราเป็นประเภทบัวเป็นรูปเราที่ตามเราที่ตีหรือเปล่าไม่รู้นะนะมันต้องเห็นยั้งบ่อยนะบัวเราที่หนรืสองคือเห็นไม่กี่ครั้เาน้นเข้าใจนะ เหมือนสำหรับพิพิธการนะคือคนที่เข้าใจทำง่ายๆทีฟังทำแล้วเกิดเห็นความคิดตามทำนั้นก็ก็รุดผลแต่หลายหลายคนก็ต้องแบบเห็นย้ำเห็นย้ำเห็นย้ำบ่อยๆค่อยๆใจเนาะเหมือนเหมือนสำหรับเราอะ่ะบางทีก็ต้องมาใส่ความเขียนอย่างเงี้ยนะเหมือนเราจะเรียนภาษาต่างประเทศนะเราก็ต้องคล้ายๆเราก็ต้องท่อง ฟัง บ, บ่อยๆต้องฟัปบ่อยฟังบ่อยๆมันึงจะเข้าใจนะแต่บางคนเขาเกิดมาแบบภาษาเนี้ยแล้วเออมันฟังมันก็จำได้ในที่เป็นจังหวัดของเขาแล้วบางทีเราก็ต้องมาแส่ตวามเพนในการการตื่นสติไปบ่อยๆคือการทําให้มันเห็นบ่อยๆเห็นเพื่ออะไรเห็นเพื่อให้จิตมันเปลี่ยนเห็นเพื่อให้จิตมันยอมนรับนะที่จริงจิตมันก็เห็นความเปลี่ยนแปลง เห็นความไม่เทียงบ่าเห็นว่ามันเป็นทุกข์อยู่บ้างเห็นว่ามันบรรพชไม่ได้อยู่บ้างนะที่จรเราก็รู้นะเราก็เห็นอยู่บ่าแต่มันยังไม่เห็นถึงขั้นจิตมันเปลียนแปลงการทําความเพียรการปฝึกบ่อยๆคือเห็นจนนักจิตมันเปลี่ยนมันถึงเรียกว่าทํำได้จริงเนาะมันเป็นทักษะที่เราต้องพัฒนาเพราะว่า ต่อไปนะครับเราก็ไม่แน่นอนนะจะเจออารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาอัน ม, มีทั้งที่จะหลงเป็นเยอะนะไม่แต่ตการเดินสติเองก็ดีนะความหลงอ่ะบางทีมันจะละเอียดขึ้นเรื่อยๆนะบางทีมันก็หลงในบุญนะหลงนะ่ะในบุญคืออะไรหลงในความสุขความสบายนะมาชิมก็หลงในความรู้นะรู้อะไรรู้เห็นอะไรก็เป็นธรรมะเป็นหมด เข้าใจไปหมดนะแตกฐานไปหมดแต่บางทีมันก็หลงไปคิดหลงไปเท่หลงไปอยากเป็นสอนคนคืค่นอยากจะช่วยคนอคือ่นจื่ตัวก็มีทางหลงนะั่นไอ้ต้นเนี่ยเราคิดว่ามันดีแต่จริงคนที่จะติดเป็นมันอเป็นหลไปแล้วมันพอหลง่าน้นมัะจะจื่มหลงมันจะค่อม่จื่มไปดื่มอย่างเงี้ยบางทีเรา สมรรถิตอกอกนอกนะไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาธรรมะอย่างแตกฉานหรือว่าอยากจะเป็นบอกเป็นคนก็คื่หรือสงไปเห็นอะไรดีก็ทำไปหมดนะจนลืมตัวนะแต่ถ้าอยแบบรู้ตัวไม่เป็นไรนะร อ, อาการเนี้ยมาพูดนะมันเป็นอารม์สภาวะน่งะตั้งแต่านรยวิปัสสุวะนะิปัสสนาบ้างปีติยานบา้างอะไรพวกนี้หรือบาที มัมีเพราะว่าไอเป็นบุญที่เออเป็นเป็นมาเป็นเทวบุตร ม, มาก็คือมาที่ทําให้เราหลงกับความสุขนะหลงกับความดีนะบางคนปฏิบททัติทำนอยากจะช่วยบ้านเหลือเกินนะทํานั่นทำนี่เยอะแยะมากมายนะแล้วก็ดื้อปฏิบัต <c oughs> ิอยากจะช่วยนะแต่ดื้อเองต้องปฏิบัติอยู่นี่ยอันนี้ก็เป็นภูษิศักอย่างหนึ่งเนาะนะ ก็พูดทิ้งฟังไว้นะก็เข้าใจบ้ากไม่ต้องไปบ้างไม่เป็นไรเยอนะไม่ต้องไปนสนใจมากพูดทิ้ฟังเฉยนะให้ให้เราเห็นว่าทางมันเป็นทางไปแบบนี้แล้วก็วิธีการไปเป็แบบนี้แต่คนทําทำเองดีเป็นเรื่องเฉพาะของเราเนาะอย่าไปไม่ต้องไปคิดกระวนกรววหน้ามากนะแต่เป็นการเตือนไว้พอเราเจอทางแยกพอเราจอนะตรงนั้นเราจะได้เราจะได้รับที่เราหลงอยู่ไหมนะ เราลงบ้าบุญไหมเราหลงบ้างปัญญาไหมเราหลงคิดแต่อยากจะเป็นคนอื่นไหมหรือดูตัวเราเองหรือเปล่าเนี่ยมันจะได้เป็นควเพื่อนบ้างนิเห็น่อยนะแต่ส่วนใหญ่ก็หลงไปบ้างแหละแต่หลงไปแล้วให้กลับมาได้เร็วหรือเปล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องถ้าเรากลับมารู้สึกตัวเป็นไหวมันจะกลับมาได้เร็วนะเนี่เป็นทางที่ที่เราต้องเจอที่เราต้องผ่านระดับผู้ที่ ตั้งใจปฏิบัติจริงๆเลยนะก็จะผ่านนะเออมันก็จะเจอตรงเนี้ยแต่ถ้าพูดปฏิบัติจริงนะจริญก็จะเจอแตแรกๆแหละเจอง่วงบ้างเจอเบื่อเบื่อบ้างก็ไม่ไผ่านในหลังนะทำวนๆเป็นเดียนแบบนี้แหละนะแต่ถ้าเราพัฒนาไปเรื่อยๆนะอุปกรณ์ศัตรูจะมีอยู่บ้างแต่มันไม่ใช่อุปสรรคแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาะฟองเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่อง อะไรที่มันหนักหนาสาหัอะไรเลยนะเป็นเรื่องธรรมดามีก็มีไม่เป็นไรแต่เม่ใเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องหนักแล้วนะมันก็จะผ่านไปเนะนี่ยนี่คือทางในการเจริญสติที่พระพุทธเจ้าหรือคุณวาจายังบอกว่าทำตรงนี้แหละจริงๆนะมันจะเกิดมันจะเกิด น, น, น, นะความไม่ทุกข์นะมันบรรเโิดได้ทั้งในปัจจุบันแล้วก็ความไม่ทุกข์จะบรรพโสดได้ ก็ค pues ือถ้าเราทำในส่วนที่สุดนะรักตระหาอุปทานต่างไปจากผิดใจได้เนี่ยคือมันคือมันคือไปสู่ธรรมชาติคือสิ่งตางไปสู่โลกนะะแต่ก่อนมันเหมอนที่ก่อนนะเราคิดว่านะสมนั้นะแกสองใไปคือการจับใจนะเราก็พยายามรักษาดูแลประคองคิดว่าเป็นของของเรา จิตมันไม่สะอาดก็ต้องทําให้มันสะอาดจิตไม่ดีก็ต้องทําให้มันดีร่างกายมันเจ็บก็ต้องรักษาให้มันไม่เจ็บเราเหมือนเราต้องประคองเขาเราต้องรักษาเขาแต่พอจุดหนึ่งมันคล้ายๆพอมเห็นว่าไอ้พวกนี้เป็นทุกข์ไอ้พวกนี้มันมัมันเป็นเที่ยมไอ้พวกนี้มันไม่ใช่ตัวของเราแล้ว้อวางมันได้แต่ถ้าวางแบบยังไม่ตายก็ก็ยังใช้เงินนะ ก็ยังใช้ใช้เหรือยใช้อะไรแต่เราไม่ใช่ประกองแบบแบกไว้ตลอดนะเราก็จะรู้จักตอนไหนจะใช้ตอนไหนจะต้องคิดก็ใช้แก้วความคิดามันคิดกลุ่มแต่งโครงงานกลุ่มแต่งอะไรต่างๆพูดต่างๆก็ต้องใช้แก้วความคิดตไหนต้องใช้ร่างกายก็ต้องใช้แต่ละแก้วร่างกต้องใช้คือใบกำลังแหละนะแต่ตัวความคิดมันจะรู้จับปากบ้างมันไม่ใช่เด็กคิดตลอด ตัง้งเตะไปลงตลอดมันจะไม่ไม่ถือตลอดแต่ถ้าคนหลงเนี่ยเขายะถือตลอดถือตลอดไปไล่แฝงไปตลอดแบบว่าเป็นเราแบบว่าเป็นขอ ง, งแบบอนะของเราบางทีเป็นแฝงแก้คนอื่เลยนะกานี่คือเมียของเรานี่คือลูกของเรานี่นี่คือพ่อแม่เึ่งพอเขาสุขคขาทุกขลเรก็ไปแฝงเขาแต่คนอื่เห็นไม่แฝงตลอดนะมันแฝงตอนที่เราไปคิดนะเราเป็นห่วง เราไปตระบวนแทนเขามันก็เลยบกอกว่ามนุษย์เรามีขันห้าขันในความรู้เรานะไปเพิม่มขันอีกห้าขันไปเพิ่มขันอีกเป็นสิบขันเป็นสิบห้าขันเป็นยี่สิบขันเนาะในการมีครอบครัวในการมีภาระเพิ่มแต่ถ้ามีแล้วเห็นว่าเป็นคนละส่วนกันนะนะแต่เราก็เกี่ยวข้องช่วยเหลือเขาในตอนที่จําเป็นตอนที่ เหมาะสมก็ไม่ใช่เร well, no ื่องผิดก็เหมือนเราเป็นใช้ใช้แก้แบบนี้ไปช่วยเติมความรู้ให้เคนแก้ไปนั้นตอนแก้ไปนั้นเขาทุกข์เราก็ไปช่วยตั้งให้เขาวิตกติกลับมานั้นก็ได้ก็ใช้เป็นขนาดเป็นขนาดไปเหมือนกเราใช้การยใช้ใจของเราที่แหละเราก็ไม่ใช่ว่าปล่อยป่าไดเลยว่ามันไม่ใช่ตัวคนจริงๆว่ามันไม่ใช่เรจริงๆแล้วก็ไม่ดูแลในการตาก็ไม่ใช่ เราอย่างต้องใช้ใช้เหมือนใช้เราจะหายเองเราก็ต้องใช้แก <c ười> hmm? ้วน้ำเพื่อลองรับน้ำมากินน้ำเพือจะทาเกียรที่ยวเหมอนเราเหมือนเราจะข้ามฝั่งข้าบ้านนะเราก็ต้องใช้เรือเราก็ชอบอยู่บนเรือแต่พอเราไปถึงป้าถึงฝั่งเราก็ไม่ใช่แบกเรือขึ้นไปด้วยอันนี้คือเราเียนต้องใช้กายใช้ใจนี้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อการปฏิบัติธรรม ถ้าเราไม่มีการก็จะไปทำไม่ได้นะอืมถ้าเราไม่มีใจเองก็ไม่ได้เหมือนกันนะนั้นเราใช้กายใช้ใจเนี่ยเพื่อเพื่อข้ามฟ้านะใช้มันแต่ใช้อย่างอย่างรู้ทันมันว่าพอเราถึงแล้วเราไม่ยิ่งนะั่นนะหรือขณะที่เราใช้เราก็รู้ว่ามันมันเป็นของที่ไม่เที่ยมเราต้องรักษาดีๆครับนะเราต้องประคอ ง, คงมันเนาะอย่างนั้เราก็ใช้เขาเนะ้ กายใจมันก็เหมือนกันนะเราไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเพื่อให้กายมันหรือต้องอยู่คงทนตลอดไม่ใช่รับว่าใจนี้มันต้องติดไปตลอดนะทุกพค๊กตึ๊งชานะแต่เราใช้เพื่อให้เห็นความจริงองชีวิตนะเมื่อข่ามฝั่งได้แล้วมันก็นก็คือก็ว่างนะก็คือว่านะในนั้นคือเราก็ต้องเกิดมาในชีวิตนี้เท่านั้น ใช้มันเป็นที่นะในทางที่ดีในทางที่พัฒนาจิตที่มันพลอยจากความทูกเนะี่ยใช้โดยการที่เราเอากายใจให้มันเจริญสติมันเจริญปัญญาโดูเนาะเราใช้กายใช้ความคิดสมองที่จิตใจเราในการเจริญทำรูปนะเนี่ยเยอะเนาะเรียนหนังสือมาบ้าอ่ทาทำการทํางานมามมากเราไปใช้เพื่อการนี้บ้างได้ไหมนะ ผามาเคเคยถามญาติยมที่วัดถ้าเรามีคนคนหนึ่งที่เรานับถือมากนะ้ว เ, เขาบอกว่าในห้องนั้นเนี่ยคือห้องนั้นเนี่ยมีเพจเม็ดใหญ่มากยี่เม็ดนึงนะเม็ดขนา น, นียโจะหาไหค น, นที่น่าเชื่อถือมากเบอกมีเพจในห้องเนี่ยโยจะหาไหมหาไ่ใช่ไห ห้องเพชรนี่มันก็ไม่ได้ความใหญ่มากเนาะใช่ไหมอืมหาแล้วก็อาจจะซื้อเอาไปขายนะได้ราคาอยู่สบายทางโลกนะทางกายอันนี้ถ้าเราเปรียบเทียบว่าทางโลกเนี่ยเพชรคือสิ่งที่มีค่าที่สุดใช่ไหมแล้วก็หามาเพื่อแลกทับสิ่งเงินทองแต่พระพิฆาตบอกนะทางธรรมเนี่ยเพชรแห่งธรรมคือธรรมที่มีค่าดี มันไม่อยู่ไม่ได้กว้างกว่าร่างกายจิตใจของเราเลยถ้าบอกมันอยู่ในกายในใจของเราเองแต่จะลองใช้ทักษีที่ค้นหามันจะไม่เจอละลองดูปบ่อยๆดูสิสังเกตบ่อยๆดูสิมันจะไม่เจอลนะลอลลน ะ, ะลนะห้องนี้ยังกว้างกว่าร่างกายจิตใจนี้เลยนะถ้าเราลองดูว่าเรจะต้องโฟมมาให้มันแคบๆ หาในใจในใจของเราที้เองหรือเห็นจากที่อื่ก็ยอก้อนกลับมาดู ใ, ใ, ใจของเราที้เองนะมันจะไม่เจอเหตนะุแห่งธรรมที่มันอยู่ในใจของเราทีองนะผููดีๆนะถ้าเราลองใช้ชีวิตทั้งชีวิตนะในการพ้นหาปริยธรรมนี่ยมันจะไม่ได้หรืแต่ถ้าเราใช้ชีวิตแบบธรรมดาแบบเพลินไปกับโลกขยันคิดแต่งเลยก็ไปมาหาเราขี้เกียจก็าลืมไปหลายวันหลายเวลาเลยนะ มันก็หาไม่ไ่้เจอแล้วนะเพราะมันจะลบมันจะสกปรกขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราหาไปบ่อยเจอไปบ่อยจิตก็จะสะอาจิตก็จะนิ่งขึ้นมันก็จะเห็นว่าเออเพชรหรือบุ๊บท้าวเนี่ยมอยู่ที่ตรงไหนมาอยู่ในตอนที่วางใจแบบไหนบางทีมันก็อาจจะมีอยู่แล้วนะแต่เราอาจจะยังไม่แค่ไปจับมนะัน อนะ่คือเห็นมันแล้วแต่มันยังไม่ใช้ได้ตลอดแค่แท่นั้นนะลองดูเนาะนะนะชีวิตเราเป็นสิ่งที่มีค่ามากเนาะถ้าไปตามความจริงเนะี่ยก็เป็นสิ่งที่หาในชีวิตเราเนี่ยแหละหนะาในกายในใจเนี่ยแหละนะสิ่งที่เราทําอยู่มันก็ปรากฏขึบบน้นอยู่แล้วนะนะตั่นแหละจะต้องทําทให้มันเยอะๆขึ้นเหมือนกับเทชมันยังไม่ได้ผัดยังไม่ได้เจกลในนะ เราก็เลยเยังไม่เป็ี่ยนตักายเย่าเต็มที่ครการเจริติมันจะทําให้เหมือนกันกลับเราค้นหาเพศในกายในใจของเรานี้เองหรือว่ากลับมนเจี่ยเรในใเพศให้มันสะาดซึ่งให้มันเป็นประกายขึ้นนะจิตมันจะค่อยๆปล่อยเขึ้นเรื่อยๆน้องทาตรงนี้แหละนะถ้าเราจะเห็นว่านะตรงนี้แหละคือคุณค่าของการที่เราไเปิดมาะเป็นมนุษย์นะ เป็นคุณค่าที่เราได้พบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคุณค่าที่เรายังได้มีโอกาได้เดินตามทางที่ตรงที่สุดนะทางมหาเฏิษฐีประธานาธิบีนี่แหละคือทางที่ตรงที่สุดหลักที่เราทําให้เราออกจากความทุกข์ไม่จ้องไปอ้อมเสียเวลาเื่นชาที่ไหนถ้าเรากลับมาเรียนรู้ดูกายดูใจคือเป็นทางที่ตรงที่สุดเระให้พวเราเป็นตัวอย่าง ตั้งใจทำเนาะจ่ในรูปแบบก็ดีนอกรูปแบบก็ดีเนะี่ยทำได้ทั้งนั้นแหละนะถ้าเรามีสติจับใครเคลื่อนไหวมีสติรู้ทันใจที่นิดเนะืงเนี่ยจะอยู่ที่ไหนกายใจก็ไปที่นั่นนะนะดันั้นการมีสติก็เลยทำได้ตลอดเวลาทารเคลื่นที่นะนะอันนี้เป็นเป็นดักสํสำคัญของการปฏิบัติธรรมนะ